ผมพอมาเทศแล้วเล็เมือนไทยว่ารถติดเลยไม่ไติดเท่านี้นะอาทางเข้าวัดนนะมำมนต์แบบสนอกเลยพวกเราอีกส่วนหนึ่งจะมาฟังเทศนะตอนนี้อยู่บนถนนพวกเราแต่เมตตาเยอะมากนะน่าอบกลุ่มใจพวกเราที่มาคันนะถือว่ามีบุญกนนะันแล้วันนะชิอย่างแี้วสบายใจดี ว น, นี้หลวงพ่อเวลานะจำกัดมากเลย16ต้อจากที่นี่ยังไม่รู้ว่าจะไปทันไหมันี้จะไปนิวยอร์กงนวันนี้เนไม่เป็นให้ส่งกัน์ดบัตไม่มีเวลาไม่ได้ถ่ายรูปถ้าใครจะถ่ายถ่ายตอนนี้เลยให้เวลา 5, 5นาทีนงเชิญถ่ายถ่ายรูปเนี่ยได้ประโยช น, น้อยนะก ไปดูรูปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ดกันได้ฟังธรรมาสดๆร้อนเป็นเรื่องที่หานดยากยากมากๆก็เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะบ่อยๆได้ธรรมะที่เป็นภาคปฏิบัติแท้ๆตรงไปตรงมาเนี่ยหายากส่วนใจที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยจะเป็นเรื่อง ให้ทำอย่างไรแ้นั่งสมาธิแ้วนั่งกันแบบนี้เดินจงกรมเดินแบบนี้เป็นเรื่องวิธีการปฏิบัติแต่หลักการปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครสอนเท่าไหร่ไม่มีใครบอกเราเท่าไร่นะการปฏิบัติมีสองอย่างนะสมถะพพิพัฒสนาสมถะ ท, ทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรทาแล้วมีผลอย่างไรจะมี วิธีการอะไรเยอะแยะซูใหญ่จะไปติดที่วิธีการอย่างครูบาจาจารย์องไหนเคยพุทธโถเวลาสอนท่านก็สอนพุทธโถองไหนท่านฝึกอานาคตนาสติเวลาสอนลูกสิก็สอนอานาคตนาสติใครฝึกของยุคมาก็สอนพองยุกไม่ใช่จํากัดอยู่ที่ตัวอาจารย์นี่หลวงพ่อเนี่ยคือว่ามีบุญนะไม่ใช่บุญโอ้โหบวชอะไรเนอกบุญจริงจริงเลย เวลาหาธรมนาตอนเดกๆที่เจอท่านพ่อทีวนสัสกรัมท่านสอนนานพานาสติกั่นเป็นกรรมฐาที่ถูกในริตของพอถ้ามันไม่ถูกจิตนั่นมันไม่ได้ผลเวลาถึงขั้งจะมาเจริญปัญญาเนี่ยไปเจลวงพูดุลงพูดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่หาสัันมากท่านสอนลกศิล์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยถ้ามีโอกาส ผมรู้สึกท่านมากอย่างหลวงพ่อเนี่ยคุณเคยรู้สึกกรรมฐานหนวงปูดุลเนี่ยเยอะมากเลยเวลาไปหาหลวงปู่ก็จะแย้ถามท่านนั้นท่านนี้นะว่าหลวงปู่สอนอะไรเพราะว่าหลวงปู่สอนไม่เหมือนกันสักคนแต่คำสอนของหลวงปู่นั้มีขั้นตอนที่ชัดเจนขั้นตอนชัดเจนเลยคนที่ฟุ้งซ่านมากแลานก็สอนให้ทําสมถะคนบางคนทําสมถะ หายใจเอาบางคนก็พูดโทรเอ า, าคนให้ดูกระดูกมีพระบางองค์เนี่ยหลวงู่ดูลสอนให้ดูกระดูกเห็นแต่กระดูกเคลื่อนไหวทั้งวันเลยเดินเดิ น, ดนจงกรมเงิเห็นกระดูกเดินจงกรมเดินไปเดินไปจิตมีสมาธิไหมเห็นโครงกระดูกเรื้อง้อมสี่ทิศเลยตรงกลางเนี่ยหนึ่งตัวข้างหน้าท้ายขวางหลังไปไหนเนี่ยกระดูกมีอยู่หาโครงร้อมม เราหลวงปู่ดูลนัทนสอนให้ทำสมถะก็โดยการพิจารณาเส้นผมเส้นเดียวสองเส้นก็ไม่ได้นะให้เอาเส้นเดียวอันนี้ท่านสอนหลวงพ่อขืนทำไมหลวงพ่อขืนยังไม่ได้ปวดแต่เราให้พิจารณาผมเส้นเดียวหลวงค่อืนบอกว่าฟังแล้วน้อยใจเวลาหลวงปู่ดูลนัทคนอืนสอ น, สอ น, สอนตั้งเยอะนะทำไมสอนเราสอนให้ดูผมเส้นเดียวก็ไม่เอาเลยแลวทำกกรรมฐานที่หลวงปู่สอนเนี่ย ก็ไปพรวาอยู่วัดอินมังเป้งของหลวงปู่เทสตลอดพรรษาเลไม่ได้อะไรเลยออกพารษาแล้วกลับมาเมืองสุรินใจก็หอเหี่ยวนะจะไปอยู่บ้านวอ อ, อ, องๆาวนาไม่เป็นนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ดูให้ดูผมเส้นเยวแล้วดูผมเส้นเดียวจิตรลมปบักเลยจิตได้สมาธิได้สมถางที่จริงแล้วการกปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นนะถ้าเราฟุ้งซ่านมากเราก็ทาความสงบเข้ามา ทำสมถะข้อนวิธีทำสมานเราก็ต้องดูจริตนี่ใสของตัวเราเองว่าเราอยู่กับกรรมฐ า, านอะไรแล้วเรามีความสุขอยู่กรรมฐ า, านอะไรแล้วมีความสุขจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นจิตที่ไม่สงบแนื่องเพราะมันแสสายมันวิ่งไปวิ่งหาความสุขนั่นแหละจิตมันวิ่งไปดูรูปก็ห ว, วังไว้จะมีความสุขมันวิ่งไปฟังเสียงมันก็ห ว, วังไว้จะมีความสุข มันจะไปดมกลิ่นมันจะไปริมร้น ม, มันจะไปรู้สัมผัสทางกายมันจะไปคิดนึกลุงแต่ทางใจก็ทำไปเรื่องการหวังในความสุขทางเส้นเลยแต่ว่ามันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ไปดูรูปอย่างเราไปดูหนังนะเร่องว่าจะมีความสุขมีความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกาพยายามอย่าง่นต่อไม่มีความสุขแล้วดูหนังแ ล, ล้วเบื่อละหรือหนังจบเรื่ความสุขก็หมดไปด้วยต้องไปฟังเพลงไปหาของกินอร่อยอนะไรเนี้ย ที่เราวิ่งคลานไปดูรูปสวยๆไปฟังเสียงถูกออกถูกใจไปกินของอร่อ ย, อยนั้นไปดมของหอมๆไปหาเสื้อผ้ามาใส่ให้มันสัมผัสที่นุ่มนวลอบอุ่นสบายหรือไปคิดเรื่องราวต่างๆ ท, ทางใจแล้นทาไปก็เพื่อหาความสุขทางนั้นนหละแต่ว่าความสุขมันสั้านิดเดียวมันไม่เต็มมันไม่หยิบเนยจิตมันก็วิ่งคลานไปหาความสุขที่อื่นอีกจิตก็เลยฟุง้งซ่าน มันฟุ้งไปทางตาหูจมูกเล่นกาใจมันซานไปทางตาหูจมูกเล่นกาใจเที่ยาอห า, าความสุขไปเลยเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้นะว่าจริงๆจิจจจจตต้องการความสุขเราออก็เอาความสุขมาให้จิตเราต้องมาดูตัวเองว่าเราทํากรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราทํากรรมฐานันนั้นเข้าไปคนไหนพูดโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องฟังยุบแล้วมีความสุข เขาดูทองผ่องยุบไปตอไหนเดินจงครบแล้วมีความสมแล้วก็เดินไปดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นกรรมฐานไม่เ อ, อาเรียนแบบคนอื่นอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็นทาอน า, านาปานาสติมาเรียนหลวงพ่ อ, อพอไม่ได้สอนให้ทาอน า, านาปานาสติเราต้องดูว่าเราหมอ่อมกรรมฐานอะไรถ้าหายใจแล้วมีความสุแล้าก็อยู่มลมหายใจตานหลวงพ่อานาไม่นานนะสองามปีแลเรีากเจอหลวงปู่ดูล ช่วงสองปีแรกในพัฒนาเร็วมากเลยเพราะหลังอานั้ น, นมันชักจะฝืดฝืไม่ค่อยพัฒนารู้ตัวอยู่เฉยๆยจิตไม่ค่อยเดินปัญญาเลยนหนึ่งสงสัยมากทำไมมันไม่พัฒนาก็ดีมีโอกาสเ <Okay. S 1> ึ้นไปวาดพันตาอันป่าพันตากขึงนไปกลับลงตามหาบวงไปถึงก็ไปบอกท่านว่าพ่อแม่บวชจางสอนให้ผมดูจิต บอาตัวจิตมเนะัเรื่อยๆแต่ทําไมช่วงนี้ไม่พัถนาลองตามมหาปวมมองหน้าพรนท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตน่ะดูไม่ถึงจิตแร้วนะก็เชื่อเรานะอะไรอะไรเราผ่านมาด้วยตัวเองหรืออะไรอะไก็ไม่วิเศษไม่ดีถ้าเราการบริกรรมนะท่านสัเหอยนี้ให้ว่าเราดูไม่ถึงจิตนั้นให้เรามาบริกรรมหลว่ากมันบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตมันไม่เอาพุโทโธนะ พทุพโทโธพทโธไฟนั้นโว้ยถุกเหมือนน้ำอบจะแตกเลยก็ามาพิจนนารณาไม่เข้าทำไมหลวงตามาหาบัวให้เราบริกรรมล้วบอกว่าเราดูไม่ถูกจิตเราค่อยๆสังเกตว่าจิตเราไม่ตั้งมันจิตเราไม่เข้าฐานจิตเราสว่างว่างสบายโล่งออกไปอยู่ขนอกหมดเลยใจโล่งว่างสบา ย, ยไม่ติดนิ่งติดเฉยติดความสุขความสบายอยู่ถ้าได้ให้บริกรรมก็จะให้จิตเข้าฐานนั่นเอง รู้เหตุผลนะว่าได้บริกรรมให้จิตเข้าฐานหรือเพาทิ้งคําบริกรรมเลยจิตไม่เอานี่หายใจเราคยฝึกขนาดอนัตติติเลยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนี่คือความรู้สึกตัวนะหาใจเพี้ยเดือดจิตลนเข้าฐานเลยจิตเข้าฐานปุ๊บเนื้อแทบจะเข็ดัวตัวเหงเนืโง่จิตเบื่อเสียเวลาเป็นปีๆนะนึกว่าเดินปัญญาอยู่เดินไม่ไม่จริงหรอกจิตกระจใจกระจายโลงว่างอยู่กับความว่างว่างไป ถึงพูดกับพวกเราเต็มปากเต็มคำว่าจิตต้องถึงฐานนะจิตต้องตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานไม่มีสมาธิพอที่จะเดินปัญญาจะโล่งว่างมีแต่ความสุขไปการเป็นสมาธิชนิดที่ติดความสุขใช้ไม่ได้หรอกก็ดีเหมือนกันมีความสุขแต่ว่าไม่มีทางมีเกิดปัญญาขึ้มนมาเลยเรื่อเราต้องดูตัวเราเองอย่าหลวงพ่อก็ดูตัวเองนะลวลาครูบาอาจากย์แค่เราให้พุโทโธเราพุโทพโธแล้วจิตไม่มีความสุขแล้วไม่เอา เราก็มาหายใจหายใจแล้วเรามีความสุขหายใจไม่กีท่ทีนะจิตก็สงบนะสบายจิตเท่าถึงฐานเลยจิตเท่าถึงฐานพวกเรารู้เลยว่าอะไรที่ว่าเดินปัญญาอยู่นะไม่ได้เดินปัญญาจิตเป็นติดในความจริงความว่างก็เต็มปากเต็มคําเลยพราะว่าถ้าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยใช้ไม่ได้ถ้าเป็นติดในความนิ่งความวนะ่างกนะ็ใช้ไม่ได้พวกเราที่คิดมากๆนะพวกปัญญาชนจะนักคิดมากกว่ที่อ่านหนังสือ หนังสือของเซนบ้างของท่านพุทธท่านบ้างอะเนี่ยพูดถึงสุญญาตาพูดถึงความว่างนะหรือบางทีก็ได้ยินคาสอนกรรมฐานให้ฝึกให้จิตว่างฝึกให้จิตว่างยังไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ฝึกให้จิตว่างการที่จิตว่างนะไม่ยึดถืออะไรเลยนะั่นมันเป็นผลของการปฏิบัตินะเป็นปลายทางของการปิบัติทั้จิตมันเป็นเอง อย่างหลวู่ดูลนะคนไปถามท่านว่าท่านอยู่กับอะไรอะไรเป็นเครื่องอยู่ของท่านถ้านบอกท่าอยู่รู้รู้ของท่านก็คือว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการแสวงหาหยุดกิเลสของจิตไม่มีอะไรเลยไ ม, way, ไม่เหลืออะไรสักอย่างถ้าเราจงใจจะทําจิตให้ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการแสวงหาหยุดกิเลสของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างกลายเป็นสร้างความปรุงแต่งจอมปลอมขึ้นมาเราต้องทําเหตุ ไม่ใช่ทำฝนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราทําจิตได้ว่างจิตที่บ้างนั้นเป็นจิตที่ไม่มีอะไรเข้าไปปลูกแต่งเปนจิตทาร่าอันไม่ใช่จิตของเราจิตของเรามันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเราก็ต้องมาทําต้นทางของการปฏิบัติถ้าจิตฟุ้งซ่านมากมาทําความสงบข้นมาจะสงบด้วยกรรมฐานอะไรก็ดูตัวเองพูุทโธแล้วมีความสุขกบพุทโธหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจดูต้องฟองยุคมีความสุขก็ดูต้องฟองยุค ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนถ้ามีความสุขขยับมือไปจิตก็สงบนะจิตมีความสุขจิตจะมีความสงบเพราะว่าบอกแล้วว่าจิตเดินเที่ยววิ่งหางความสุขเลยพล่านไปทางตาหูจมูนกนิ้วแก่ใจถ้าเราทํากรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วจิตเ้ามีความสุขแล้วก็พอใจแล้วเขาก็เลยอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่หนี ไ, ไม่หาอารมณ์ไปดืก็ได้สมถมกรรมฐานเนี่ยเวลาหลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนหลักเลยว่าหลักของการสมรถะทําสมถะเนี่ย เราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูเพื่อนไม่ใช่ดูอาจารย์ดูตัวเราเองเราอยู่กับกบรรมฐานอะไรเรามีความสุขเราอยู่อกอกกรรมฐานนั้นบ่อ ย, วยๆพอจิตมีความสมุขจิตจะมีความสงบอยู่ในอารมณ์อิมที่องทำมาทําไปเพื่ออะไรเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรเราต้องรู้นะไม่ใช่ทาสุ่มสี่สุ่มหไปเรื่อยๆแล้วนั่งสมาธิมีความสุขมีความสงมบว่าวันหนึ่งจะบรรู ok ้มรรคนลนิพพานคนละเรื่องกอันเ ทำฝึกจิตให้สงบให้เป็นความสุขไม่ได้ทําให้รับรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุรมรรคผลนิพพานได้ก็มีปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรนามาทําจงหมดความยึดถือในรูปหรือนามมาทําในกายในใจนี้หมดความยึดถือจิตเ้ก็จาถึงความว่างสวรรค์บริสุทธิ์ยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนั้นเป็นผลไม่ต้องทําเหตุเหตุก็คือเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้ให้มาก ถ้าช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านดูไกลดูใจไม่รู้เรื่องทำสมถะทำความสงบนสมถะทำไปเพื่อให้จิตได้พักผ่อนมีเรื่องมีแรงถ้าทำสมถะได้ให้ทำแต่ถ้าทำไม่ได้ไ ม, มันทำไงก็ไม่ยอมสงบเดินปัญญารวดไปก่อนพระรหัสส่วนใหญ่นะไม่ใช่มาด้วยการทาฌานก่อนแล้วมาเดินปัญญากระทั่งพระรหัสส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาล ก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละเข้าฌานไม่เป็นนี่แหละแต่เดินปัญญารุ่นไปเลยเดินไปเรยแบบแห้งแรงไดสุขคามิปัสสะไปแบบแห้งแรงใจแห้งแรงลาเข็นเหน็ดเหนื่อยเจริญสติเจริญปัญญารว่นไปเลยถึงจนดหนึ่งเนี่ยจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิจะได้ฌานขึ้นมาโดยอัตโนมัติแม้พระรหัสทูโงหนึ่งย่างตั้มตุสุตได้ปฐมฌานอัตโนมัติเป็นของแทม แต่ว่าตอนที่เริ่มปฏิบัติเริ่มเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกงต้องเข้าฌานก่อนเนี่ยมันมีคําสอนที่เพี้ยนเพียนอย่างนี้แทรกอยู่ในคําสอนของเรายุคที่เยอะแยะเลยนะเช่สสอนว่าต้องเข้าฌานาได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาแท้จริงแล้วการเจริญปัญญานั้นทําได้3รูปแบบท่านหนึฌานซะก่อนแล้วมันเจริญปัญญาด้วยการดูลกายหรือเวทนาคือความสุขทุกข์ อันที่สองเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิแะฌานเกิดขึ้นทีหลังอย่างพวกที่ดูจิตดูใจนี่ยคืนไม่ตั่งทำสมาธิทําฌานก่อนมาดูจิตนะจิตจะไม่มีอะไรให้ดูจะว่างๆไปเลยเพราะนการดูจิตดูใจนะดูเข้าไปตรงๆดูนิสัยอย่างพวกเรานะก็ต้องอารมณ์ตาเห็นรูปจิตก็วันไหวหูได้ยินเสียงจิตก็วันไหวนะปุงสุกปุงทุกข์ปุงดีลุงชั่วคอยดูไปเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปได้ เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชัว่วดูไปถึงจุดหนึ่งนะจิตจะเข้าฌานได้เองสมาธิจะเกิดขึ้นทีหลังอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธิสมาธินําปัญญาแล้วเข้าฌานก่อนแล้วออกมาดูกครหรือเวทนาใช้ปัญญานําสมาธิก็มาดูจิตใจที่มันทํางนานไปแล้วถ้สมาธิมจะเกิดทีหลังมีรูปแบบหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกัน แม้ทำได้ทสแนวทางจะมาบอกว่าที่ถูกมีหนึ่งแนวทางอันนี้พูดกล่าวตุ้มคาสอนของพระพุทธเจ้ามีสแนวทางถ้าพระพุทธเจ้าสอนได้เพียงแนวทางเดียวหรือทิ้งไปสองแนวทางท่านก็ไม่ใช่ธรรมราชานะท่านไม่ใช่สัพพัญยู่ลนยะที่ท่านสอนได้สราระานรูปแบบเลยเพราะอะไรเพราะจริตนิสัยของคนนั้นแตกต่างกันมากมายถ้าเยสอนธรรมะไว้เยอะแยะเลย เพื่อว่าจริตของคนนี้มอะไปอย่างนี้จริตคนนี้หมองไปอย่างนี้เ ร, ราก็ดูจริตของเรามอะกับอะไรเราก็ทำกรรมฐานแนะนำงั้นอย่างสมถะเราก็ต้องรู้จักเรื่องมิปาสนาเราก็ต้องรู้จัก เ, ก ร, เ ร, กรื่องไม่ใช่อยู่ๆจะตั้มจะฌานเข้าฌานเข้าฌานไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้นี่เป็นเรื่องไม่จริงครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าถ้านั่งอยู่กับพระรูปนี้ ท่นชี้ให้พระถึงพระอรหันต์ที่อยู่กับท่านในวัดนั้นนะมีห้รารอยองรหันตทั้งห้ารอนะเยอะแล้วท่านก็บอกกับพระภิกสษุที่อยู่กับท่านบอกดูพระภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์ห้าร้อยอเนี่ยมีหกสิบองค์เป็นพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามวิชาสามก็คือ ร, รู้ชาติได้แล้วก็รู้การจุดจิตวัของสัตว์ต่างๆใครตาย้วไปเกิดที่ไหนรู้เลย แล้วก็ล้างกิเลส น, นะเรียกว่าวิชาสาพ ร, ระอรหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยคือท่านรมชานมาก่อนรมนะชานจนกะท่่นเกิดอภิญญา จ, จิตขึ้นมาแล้วก็มีมีฤทธิ์มีเดชพนะระอรหันต์พันี้พระเาบกในภิกษุห้าเนี่ ย, ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามงหกสิบองค์หกสิบจาก500เท่าไหร่สิเปอร์ใช่ไหเนี่ยคือพวกนี้พวโฉดามี และในห้าร้องมีพระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6คอีกอีกหิญอภิา6คนั้นแสดงรินได้มีบูจิ่มีตาที่มีเจตโกรยายามอย่า ง, งรู้อราารจิตคนอหนได้มีคุณสมบัติรวมแล้วอย่างข้อที่6ก็คือลังกีเห็นได้ิกส6จาก500ก็คืออีก 12% สซนคือพวกที่ได้อภิน ญ, ญาเนี่ยต้องได้ชาญ ชำ น, น, นินชานาญในเรื่องฌานมาก่อนเพราะฉะนั้นพวกที่เล่นฌานนะมีวิชาสามหกสิบอภิญญาหกสิบแล้วทั้งหมดกายังมีพระอราหันต์อีกจาพวกหนึง่งเรียกว่าอุปโภคภาวิมุนอุปมภตภาควิมุนคือพระอราหันต์ที่ได้อารูปฌานท่านเหล่านี้ไดอรูปฌานมาก่อนแล้วมาเป็นพระอราหารันต์เวลาทั้งวมดเลยนะคือหกสิบบวหกสิบบวหกสิบได้เท่าไหร่สามสิบแปด 36% คือพาาาระอรหันต์ชนิดที่ว่าทำสมาธิมา ก, ก่อ น, นแล้วมาเดินปัญญาหรือใช้สมาธิกับปัญญาอวมควบกันได้มีทั้งหมด36นะจาก 100% เนที่เหลือก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละ 64% คนอย่างพวกเรานี่แหละฟังแล้วมีกำลังใจไหม mm hmm. มัน ต, าต่างกันนิดเดียวคือท่านเอาจริง เราเหยอหยอใหญ่ๆแ ห, หมือนกันเป็นข้าวชานไม่ได้ส่วนไอ้ที่ดีขอท่านเราไม่เหมือนท่านอ่ะแม่ไปเหมือนอยู่ข้อเดียวถึงข้าวชานไม่เป็น <c oughs> เราต้องขยันก็นานนะไม่ใช่วันต้องเข้าวชานได้ก่อนหอรอกถึงจะบรรลุมรรคผลได้นิสัยธรรมดาจิตใจของคนธรรมดาเนี่แนหะดีที่สุดเลยะจิตใจของคนธรรมดาเนี่ยเวลาตามมองเห็นจิตก็สุงบ้างทุกข์ว่างดีบ้างรายบ้าง เรามีสติรู้ทันตามองเห็นรูปพุ๊บจิตมีความสุขรู้ทันจิตมีความทุกขรู้ทันจิตเฉยเฉยรู้ทันจิตโลภจิตโกรธจิตหลงรู้ทันจิตเป็นกุศลรู้ทันเยันตามองเห็นพระพุทธรูปรู้สึกแฉ้มชื่นใจนึกถึงพระพุทธเจ้าจิตเป็นกุศลหรือไม่รู้ว่าจิตกําลังเป็นกุศลอยู่ไม่ใช่รู้ว่าพระพุทธรูปหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะอันนั้นรู้ออกข้างนอกให้กลับมารู้ทันใจของเราเอง ตามองเห็นรูปรู้ทันใจตัวเองหมูได้ยินเสียงรู้ทันใจของตัวเองบางทีได้ยินเสียงคนบางคนนะั้นเขาจะไม่ทันจะว่าเราเลยได้ยินเสียงปู๊ก็เกลียดเลยมีไหมใครเคยเป็นยกมือให้ดูเสียงมาได้ยินเสียงปุ๊บก็เกลียดเลยเป็นทั่วๆไปยกเรืออีกคนทำไมก่อนก็มีนะได้ยินเสียงคนเนีนะ้อืมส่วนฟังไม่ได้เลยทําไมน้องฟ้าดินสร้างคนทนดีขึ้นมาครับ ฟดินให้เราเกิดทำไมให้ีด็กคนนี้มาเกิดด้วยเนี่ยตาเราเห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนให้เรารู้ทันหูเราได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนให้เรารู้ทัน <c oughs> จะาหมกได้กลิ่นใจเปลี่ยนไหมได้กลิ่นหอมรู้สึกยังไงได้กลิ่นหอมชอบใช่ไหชอบนได้กลิ่นน้ำหอหอมหอมชอบเมื่อทีไม่ใช่แค่ชอบอย่างได้ ลมกดนลมอย่างได้ก็รู้สึกว่ามันแทงยางไงซึ้งไม่ได้ใจแก้วเลยเศร้าใจน่มาจากได้นะกลิ่นน้ำมันปรุงความรู้สึกทางใจให้มันเป็นช็อตชอตชอตให้เรามีสติรู้ความเปลีออ่ยนในหัวใจไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรเมื่อวานนั่งรถไปขากลับจากวัดที่นี่นะได้กลิ่นสกัง กลิ่สกรงนะั้นเอาน้ำกลิ่นเป็นแรงจริงดีใจนะเดินมาไม่เคยได้กลิ่นส ก, กรงได้แต่ชื่ออยู่เหมือได้กลิ่นมาเข้ามาเต็มรถเลยนะแต่ละกลิก่นก็ผ่านไปหลังห้องอย่างนี้เขาเรียกว่ากลิ่นสกังแต่มันแน่จริงนะไม่มีใครกลิ่นน้ําหอมเด้เฉียบขาดแบบนั้นนะเนาะเดินเจมูกได้กลิ่นใช่ไหมถ้าใจเราโทรศสาร ข, ขึ้น เหม็นยังแรงนะดีไม่ดีโกรธคนจับรถที่เปิดกระจกใหม่เหม็น mm hmm. โทรศัพ์เกิดเกลียดมันกลิ่นนี้ก็เกลียดนี้ก็โทรศัดนะแล้วจิตเปนะ็นกูศสนะเมืกลิ่นอะไรเกลียดสักครั้ง อ, อ๋เป็นหนึ่ง น, นี้เองดีหนึ่งนี้เองได้ความรู้มไม่โกรธนะตามมองเห็นรู้ใจเปลี่ยนให้รู้ทันหูได้ยินเสียงใจเรำเรียนให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นใจเปลี่ยนให้รู้ทัน ร, นรนะิ้นกระทบรสใจก็เปลี่ยน ก็ต้องลที่ถูกใจพอใจใช่ไหมก็ต้องดไม่ถูกใจไม่พอใจหลวงพ่าเคยเป็นนะสมัยเป็นโยมกลางวันเราลงมาทำ ง, งา น, างงานลงจากตึกมาม kten, กินข้าวมีโรงอาหารไปถตงดึกทาเนียบรัฐบาทหมูแม่ค้าทอดไข่เจียวสหอมเลยนะและ้วก็ไปข้าชิวซื้อข้าวไข่เจียวหมูก็กินไม่ทำแรกนะจากความยินดีที่จะได้กินของอร่อยนะโทสะขึ้นเลย อย่างนี้มันรีบทอดใช่ไหลืมใส่น้ำปลาโอ้ยมันขไข ม, มันจืดสนิทเลยมอนไข่ตุ๋นมากไปจิ้มเนี่ยลิ้นกระทบร้นันใจพวกเรียนเนี่ยเรามีสเตตุทันอย่างนี้นะนี่เรียกว่าการปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ใช่ต้องนั่งรับหูรับตาอย่างเดียวหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจฟุ้งซ่านมากก็ทําสมถะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเน่ยอย่า ห, หัวใจทําสมถะ ก็เป็นเวลาของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเราก็ต้องดูตัวเราเองเดีย๋ยพวกเราเป็นพวกคิดมากวันวันทํางานคิดทั้งวันเนี่ยพวกคิดมากกรรมฐานที่มองกับพวกคิดมากก็คการดูจิตใจเราจะเปลี่ยนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะความรู้สึกตะกูลโถสากจะมาบ่อยพวกเรารู้สึกมาว่ามันหงุดยงิดเก่งราคาอะไรเนี่ยงเบานะบางทีโถสากมาเร็วพวกที่ปัญญากล้าเนี่ย มันจะถูกสัาแปลกนี่เป็นธรรมชาติเลยฟังล้งงงภูมิใจดีไห ม, มแต่ถ้าใครเพราะว่าเราชื่มอมโหเราก็บอกเขาธรรมดาเธอเพรฉันปัญญากล้าเขก็บอกว่าไม่จริงหรอกเธอปากกร้าหะไม่ใช่ปัญญากล้าเพราะเราถ้าพบปัญญากล้าเนี่ยนี่เป็นนั่งทํำสมาธิเฉยๆไม่หลงจิตไม่ลงไดายั้นเจริญสติเลยเราเห็นรูปรู้ทันใจ หูได้ยินเสียงรู้ทานใจจมูกได้กลิน่นลิน้นได้รสกายก็ต้องสัมผัสก็รู้นใจใจมันเปลี่ยนอากาศร้อนลมเย็นเย็นพัดมาถูกรู้สึกอะไรอากาศเยนเยอะเลยลมเย็นเย็นพัดมาอีกรู้สึกอะไงไม่เหมือนกันใช่ไหมลมก็เย็นเหมือนกันนะครับความรู้สึกไม่เหมือนกันหลวงพ่อแต่ก่อนนะเป็นคนโบราณ น, นะเมืองไทยคนโบราณอาน้ํำในตุ่มใครเคยําบน้ำในตุนนต่มไหมมีไหม วันนี้ยังมีคนร่วมสมัยอยู่อุตส่าห์บอกเลยว่าฝนโบราณเนคือหพน้ําเน็ำนตุ่เวลาหน้าร้อนเห็นน้ำในตุ่มชื่นใจเลยไหมยังไม่ใคยจะถูกน้ําก็ชื่นใจอ่ะวเรื่องตามองเห็นมันจําได้ว่าน้ํามันมีสัมผัสแบบนี้มันพอใจหน้าหนาวเห็นตุนะ่แล้วสยองเลยไหมหน้าหนาวจะเห็นตุนะ่แล้วหัวร้อนอย่าย เนี่ตามองเห็นใจหลงกลัวกันมารูว่ากลัวเห็นหมาสวยๆวิ่งมาชอบรู้ว่าชอบเห็นหมาที่เลื่อนวิ่งมากลัวร้ว่กลัวเกลียดรู้ว่าเกลียดเนี่ยการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากออกกินอาหารอาหารนี้พอใจอาหารนี้ไม่พอใจไม่รู้ไปเรื่อยเมืาอีเราก็คิดเวลาคิดเนี่ยจิตเปลี่ยนไหมคิดถึงคนนี้มีความสงฆใช่ไหมคิดถึงคนนี้มีความทุกข์คิดถึงคนนี้มีความรัก คิดถึงนี้มีความเกลียดบางทีคิดเรื่องเรานคนแก่หน่อยคิดถึงอดีตมีความสุขเด็กๆนะ่าฝันเรื่องไปถึงอานาคคมีความสุขคนแก่ฝันไปถึงอา น, คนาคคเเ้าเลยจะอยู่ได้กี่วันเนะี่ยใจเนี่ยจะเบียดถ้าเด็กๆท่คิดอนาคคณมีความสุขเด็ก่คิดถึงอดีตเนะมันก็เด็กประหลาดนะเด็กเขามองไปทางหน้าคนแก่ก็ยังมองด้านหลังไม่กล้ามองด้านหน้ามมันสั้น นั่นในเรื่องใจเป็นจิตนั้นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนนะฝึ่งกรรมฐานเนี่ยง่ายแค่นี้แหละสาหรับคนในเมืองคนในเมืองอย่างพวกเราเข้าฌานไม่เป็นให้รู้ทันความเปลี่ยนของจิตความเปลี่ยนแปลของจิตใจไปเลยจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่มองกับพวกทิฏฐิจริณทิฏฐิจริณหมายถึงเป็นของช่างจิต พวกเจ้าความคิดเจ้าความเหยนพวกเราเจ้าความคิดว่าเจ้าความเลี่ยนบ้างไหมบางทีไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ยังมีความคิดความเปลี่ยนใช่ไหมทาไมเธอไม่แต่งตัวอย่างนี้วันนี้เธอควรจะแต่งอย่างนี้ม่ใชเรื่องของเธอสุดหน่อยคนไทยเราก็เฟือสลั่งเขาไม่สนใจเลยใช่ไหมคนไทยเราก็เราเฟือมากในบ้านไหนทําอะไรเราต้องรู้ไม่รู้ไม่ใช่คนไทยหรอกนะเราเจ้าความคิดเจ้าความเี่ยนจะจู่มกับคนเดิมเ้า บางคนนะอายุยิืงขึ้นแล้วลูกหลานไม่มาเยี่ยมก็โกรธน่ดาด่าหาแมวมันตัวหนึ่งมาดาให้แมวฟั ง, งเดี๋ยวแมวเฉาแมวเหนียวไมยอะไรแบบนันด่าลูกดาบานให้แมวฟังด่าให้ต้นไม้ฟังแล้วต้นไม้ก็เฉาไปเลยพอลูกหลานมาเยี่ยมก็ด่าเขาอีกเลยจนะเขาก็ขยันนะเขาไม่กล้ามาเยี่ยมมาที่ไรก็โดนดา่ามาที่ไรก็ย เ, ย, ย, เ ย, ยิ่งด่าเขาก็หายยิ่งโกรธใหญ่เนี่ยบางทีทําตัวเองนะ ถ้าเขามายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ก็มีความสุขเดียวเขาเข้ามาอีกบางทีเราทําตัวเองให้คอยรู้ทันใจของเรานะใช้ของเรามีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้มีความโลภเกิดขึ้นให้รู้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นให้รู้มีความหดหู่เกิดขึ้นให้รู้น้อยอกน้อยใจนะกังวลใจเครียดเสียใจดีใจรู้ไปเรืนะ่อยๆในกรรมฐานเนี่ยมันมองกับพวคิดมาก เพราะเวลาเราชินความรู้สึกเลาจะเปลี่ยนตลอดเวลาชินอย่าง น, นี้ความรู้สึกนี้ชินนี้ความรู้สึกนี้เราจะเห็นความเป็นไตลรลักณของจิตใจจิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนช่างชินให้ดูจิตอันนี้ไม่ใช่ของพ่อพูดเอง น, นะในอภิธรรมสอนไว้เลยอภิธรรมได้ท่านแยกเฉลีในการเดินปัญญาไว้สองเฉลี่อันหนึ่งเรียกว่าตัณหาเฉลี่ พวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพราะนี้ท่านบอกว่าหมาะที่จะดูกายหรือเวทนาหรือความรู้สึกสมทุกข์ตั้งกายหรือเวทนามันจะสอในให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งาม๋ยวเรามีสติรู้สึกร่างกายได้แค่จะรู้สึกเลยมีของสสโสโคระไรออกมาตลอดเวลาจากร่างกายเราหน้าเราที่บ้านมวลนวล น, น, นะนะสะกนักพักมีของสสโรครกไรออกมันเต็มแล้วเราเร่งวาแป้งมาพ่กไม่หยิ่งนะรีบไปล้างหน้ารีบเอากระดามนมาซักเลยตอนื่ ถ้าของส่งพรกมัหลออาได้งั้นอย่างถ้าพวกไหนรากสุขรักสบายรักสวยรักงามนี่จะบอกว่าให้ไปดูกายหรือดูเวทนาจะเห็นว่ร่างกายนี่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจก็มีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวทุกข์เรื่องโนอนทุกข์เรื่องนี้ไปเลยแต่ถ้ามีเงืินถ่ายบอกว่าถ้าจะดูกายหรือเวทนานต้องควรจะทำฌานสะก่อนถ้าทำชาญได้ถึงจะดูกายและเวทนาได้ดีมีกําลังที่จะดู คนทำฌานไม่ได้เนะี่ยมีกรรมฐานที่ทําสําหรับคนไม่ได้ฌานะเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกเส้นทางของการเดินวิปัสสนาไม่ใช่เส้นทางของสมถาญาณิกนะเส้นทางมันมี2ทางนะสมถะญานิกพวกที่ทําฌานไปก่อนวิปัสสนาญาณิกนี่พวกเดินปัญญาไปก่อนเดี๋ยวสมาธิระดับฌานจะเกิดทีหลังดังนั้นถ้าพวกนิสัยรักสุ่มรักสบายรักสวยรักงามควรจะดูไกลจะดูไกลได้ดีต้องทําฌานก่อน ถ้เป็นพวกที่จิจริตทิฏฐิจริตคือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความคิดมีความเห็นทุกเรื่องเลยไม่ใช่เรื่องของเราก็อยากมีความคิดความเห็นนะพวกนี้ท่านสอนเลยว่าเหมาะกการดูจิตหรือเจริญธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนายังเข้าใจยากสําหรับมือใหม่นะเราดูเรื่องจิตกันจิตเป็นกุศลก็รู้จิตไป่ละกุศลก็รู้เนี่ยคอยดูอยู่แค่นี้แหละนะหรือแถมหน่อยหนึงก็ได้จิตสุขจิตทุกไย่างก็ดูไปด้วย เวลาเราดูจิตดูใจเราไม่ได้เห็นแต่กุศลอกุศลหรอกเราเห็นสุขทุกทั้งใจด้วยถ้าดูเหมือนไปการดูจิตเนี่ยท่านบอกมาะกับวิปัสสนาอย่างนี้ไม่ได้มองกับสมถะอย่างนี้นะถ้าเราไปทําฌานก่อนแนละ้วมาดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งว่างนะออกจากสมาธิแล่วพอออกจากสมาธิมาแล้วมาดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจะว่างไปเลย การดูจิตดูใจเนี่ยดูมันสดๆร้อนนะในธรรมชาติในธรรมดาของเรานี่นี้ไม่ต้องไปเข้าชานก่อนเมียตาชื่นใจเลยไม่ชื่นใจโกรธโกรนแล้วควรจะทำไงดีจักจๆกจั๊ก จ, จไหนะอย่าพูดอย่างอื่นเมียว่าอะไรพูดจ้าไ้ก่อน ชาที่รักแถ้มนี้หน่อยก็ได้หมดเรื่องเลยอย่าแรงจึงเนี่ยกลังปากยั ง, งับๆ ก, กัดกนะัใจหอนได้คอยรู้ทันใจได้ยินเสียงน่าโกรด น, นะได้ยินเสียงชอบรู้ทันรู้ไปเรนะื่อในที่สุดปัญญามันจะเกิดมามันจะเห็นเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเพราะของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นในใจเพราะของชั่วคราว ความตีที่เกิดขึ้นในใจก็ช่วงคราวความชั่วที่เกิดขึ้นในใจก็ช่วงครวาวความโลภความโกรธความหลง ก, ก็ช่วงคราวหมดเลยการที่เราเห็นความจริงเนืองๆ น, นะว่าทุกอย่างผ่านมาแลว้วก็ผ่านไปทุกอยาก่างเป็นของช่วงคราวเนี่ยเห็นซ้ําแล้งซ้ำอีกนะหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีแล้วแต่ความดื้อของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนดูอยู่ไม่กี่เดือนนะจิตยอมรับความจริงแลนะ้ว่าทุกอย่าง เ, เากิดเราดำ ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับถ้าจิตยอมรับตัวนี้ได้ได้ถ้าโซ ด, า โ, ด า, าโสดาบัลถ้าโซดาบัลนั่น้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรคำว่าอัตตาตัวตนหมายถึงมีสิ่งซึ่งเป็นตัวตนถาวรไม่มีอะไรถาวรเลยร่างกายก็ไม่ใช่ของถาวร จิตใจก็ไม่ใช่ของถาวรแป ล, ปลนฝูนตลอดเวลาเพลี่ยนอย่างรดวดเร็วเนื่องจากที่เรามีสตินะแล้วเราคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจเดี๋ยวสูงเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดียเด๋ยวร้า เ, เรื่อยๆไปเป็นทางที่ตัดตรงไปสู่ความเป็นพระสวัสดิ์นะง่าที่สุดเลยง่ายกว่าไปดูกายดูอะไรอีกนะว่าจะดูกายได้แจ่มแจ้งต้องทรงชานดูไปเรนะจนกระทเห็นกายกระจิตน่ยแยกออกจากกัน แล้วก็เห็นในกายไม่ใช่เราเนะ่ยราต้องย้อนมาดูจิตอีกทีหนึ่ง น, นะที่จะเห็นวนะ่าจิตไม่ใช่เราด้วยถ้ายัางมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหลือเป็นตัวเราอยู่เนี่ยไม่ใช่พระโสดาบันแต่ถ้าเราดูจิตใจถ้าเราเห็นนะจิตใจไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่อยู่แล้วแค่เรารู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายก็แยกออกไปไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วนะันไม่ใช่เรื่องยากอะไรการดูจิตดูใจเนี่ยจิตใจของมนุษย์ธรรมดาธรรมดานีย เหที่สุดสําหรับการเจริญปัญญานะไม่ใช่ต้องจิตของเทพจิตของพลมอะไรหรอกถ้าเราจะดูจิตดูใ จ, จเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจนี่ใช้จิตใจของมนุษย์ปกติเพราะจิตใจของมนุษย์ปกตินี่กลับกลอกนะเดี๋ยวสุ่เดี๋ยวตู้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่เชื่องตลอดเวลามันบังคับไม่ได้ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งเลยที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์มีจิตใจสับซ้อน ใจิตใจเราได้แห ว, แ ว, แ ว, แวนๆตลอดเวลานะมันทําให้เจริญปัญญาง่าถ้าเราไปเกิดจะพลาดจะดูโชคร้ายไปเกิดเป็นเทวดานะจิตใจมีแต่ความสุขทั้งวันดูทีไรมีแต่ความสุขนะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเลยยิ่งดูร่างกายนะั้นก็สวยงามอยู่ตลอดเวลาลไม่เห็นมันแก่สักทีเลยไม่เห็นมันสมบรกสักทีเลยอาจจะไปเห็นร่างกายแก่อาจจะไปเห็นร่างกายสมบูรกเศร้าหมองเลยตอนขันักจะตายแล้วตอนนั้น งอย่างเป็นเทวดานะมีความสุขมากเพราะวานายากนะร่างกายก็สวยงามจะดูว่าไม่ดีก็จูดไม่ออกจิตใจก็มีความสุขดูที่รก็มีแต่ความสุขเนี้ยนะภาวานานลำบากแลนะจิตใจของมันนุ่นนิดดีที่สุดเลยในตั้งแต่ปีโดมีนะนพวกเทวดาเวลาจะตายเวลาใกล้จะตายนะเหงื่อจะออกนะรัศมีเศร้ามองนะเครื่องประดับอะไรก็เศร้ามองไปหมดเลยเหียวเช้าดอกไม้ทิพย์ก็เหี่ย ว, ว, หยวแห้งนะมีเหงื่อโซมตัวออกมา เพื่อนเทวดาพอรู้เห็นอาการนี้รู้ว่าคนนี้จะสิ้นอายุแล้วจะตายแล้วทเท ว, วดาก็จะมาหามาโสโ่งคล้ายๆพวกเราเวลายากที่น้องจะตายอยู่ห้องไอซียูนะเราก็ไปซีซก็ อ, อยู่อยู่เท่านั้นทําอะไรไม่ได้หรอกอย่างมากก็เป็นพระรหันพระราหารันที่คนตายมันจะเป็นพระราหารันตะได้ไหมเป็นไม่ได้มันไม่เคยฝึกนะพวกทเท ว, วดานี่เขาก็จะมาเหมือนกันวกเวลาเพื่อนเทวดาจะตาย เราบอกว่าตั้งใจในนะั้นขอให้ได้ไปเกิดเป็นคนนะพวกเราเวลาจะตายขอให้ได้ขึ้นสวรรค์เถิดนะสิ่งประเสริฐในขณะที่พวกที่อยู่บนสวรรค์นัขอให้ได้เกิดเป็นคนเพราะในเป็นคนนะัานาวนาง่ายร่างกายของเราไม่ได้ดีพิเศษจนเกินไปใช่ไหมเห็นทุกเห็นโทษง่ายจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายการที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากๆนั่นแหะเรียกว่าการเจริญปัญญาละ หเห็นแต่ของเที่ยงของดีของสุขนะั้นไม่เดินปัญญาจริงหรอกงั้นเือนเป็นเทวดาจิตใจมีความสุกร่างกายสวยงามจเจริญปัญญายากโยมให้ดูจิตเก่งๆนะดูจิตเก่งๆก็จะเห็นเลความสุกเดียเด๋ยว่ า, วาวแรงเดี๋ยวเ่าเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวว่าเบามไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวความสุกว่ากายเป็นอุเบกขาจะอุเบกขาครัมาเป็นสุขดูได้ไม่มากหรือถ้าจะพัฒนาฝึกปเป็นกลุกนะ่มยิ่งพอนาย่างใหญ่ จิตมีแต่ความสมงบสบายนิ่งสงัดอยู่นั้นเองดูทีไรก็เที่ยงอย่างนั้นนะเที่ยงจนโลกแตกก็ยังเที่ยงอยู่นั้นนะจิตใจงั้นเราต้องภูมิใจนะในความเป็นมนุษ์ของเราเราอยู่ในภูมิที่ดีที่สุดแนละ้วสําหรับการเจริญปัญญาตามคาสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายของเรามีความแปรรวนให้ดูได้จิตใจของเรามีความแปรรวนให้ดูได้เราต้อเคยรู้นะ เห็นร่างกายมันทางานไม่ค่อยรู้เห็นจิตใจมันทางานไม่ค่อยรู้โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยดูจิตใจได้มากส่วนใหญ่เป็นพวกคิดมากคิดมากจิตใจมันวุ่นวายวุ่หวายเห็นความเปลี่ยนแปลงดูไปถึงจุหนึ่งจิตจะสุบได้มาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะดับเป็นธรรมดาจะเห็นเองรู้เองแจ้งเองถ้าแจ้งอึ่งนี้ได้ได้พระสวดธรันต่อไปก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีก ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราลบหลดหลงไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรเป็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆเป็นรูปประทังบ้างเป็นนามธรรมบ้างแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตใจเป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์หรือ การเบื้องต้นเนี่ยที่เราจะฝึกกันเนี่ยเราฝึกให้เห็นมันทุกอย่างเกิดแร้ดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตวนถาวรเอาตรงนี้ก่อ น, อนเบื้องปลายเนื้อสิ่งที่มีอยู่เนี่ยก็คือตัวทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจะเป็นรูปภาตหางๆเมื่อเรามาเจริญปัญญาพาให้จิต ด, ดูของจริงในใกาในใจเรื่อยไปจะเห็นของที่ว่าอะไรเกิดอะไรนั้นก็ดับ ร่างกายหายใจอ e> อกแล้วก็ดับไปร่างกายหายใจเข้าแล้วก็ดับไปร่างกายยืนแล้วก็ดับนอนแล้วก็ดับนั่งแล้วก็ดับหมุนเวี่ยนไปเลื่อยร่างกายเป็นสุขก็หายไปร่างกายเป็นทุกข์ก็หายได้ร่างกายจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจจะเป็นกุศลเป็นอกุศลกอแล้วก็ดับได้จิตใจจะวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปคิ้งรถวิ่งไปดูสัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจ ทุกอย่างเกิดเาก็ดับในฟ้าดูนะเข้าดูนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าพวกเราไม่ทองแท้ในะการเจริญปัญญาเนี่ยเราจะไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากการตรั ส, สรุของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าลําพังทำตามถือศีลนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าการเจริญปัญญานะีที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจทาําความเป็นจริงเนี่ยมีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้คำสอนของศาสนาอื่นก็ไม่มีศาสนาอื่นอย่างมากเขาก็สอนให้เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงศาสนาพุทธไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่าพระเจ้ามีหรือพระเจ้าไม่มีไม่เฉียงด้วยเลยนะศาสนาพุทธรู้อย่างเดียวมีความอยากเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นมีความยึดถือเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นเราปฏิบัติไม่ได้มุ่งมออย่างอื่นเลยนะม่งให้เห็นความจริงของกายของใจแล้วจิตหมดความยึดถือในใกายในใจจิตไม่ทุกข์อีกต่อไป เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อถอด ถ, ถอนตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้เด็ดขาดโดยที่ไม่ได้พึ่งอะไรทั้งสิ้นแต่พึ่งตนเองที่จะช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งพระเจ้าไม่ได้พึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้พึ่งครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกวิธีการให้อย่างหลวงพ่อมาที่นี่บินมาตั้งนานเนี่ยใช้เวลาเป็น10บสิชั่วโมงนเนี่ยก็เพืจะมาบอกทาง ส่วนการเดินทางนะพวกเราต้องเดินด้วยตัวของเราเองย่าวนี้ anyway, น Yummy, Bradley, racks, ここใ you lifetime, สแบบหยอดๆยอดใหญ่ๆนะมีพระมาเทศจริงมาฟังทีทำบุญหยอดตู้สนชิ้อเลนร่ยนะไรสาระอาสาระไม่ค่อยได้เอาหลักของการปฏิบัติไปแล้วลงมือทำด้วยตัวเองเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดควรจะเห็นผลบ่งคนที่พวกเราเคยฟังซีดีไปที่ค okay. นก็ส่งกันบ้านพ่อบางคนเดือนเดียวนะ คนเดี่ยวเนี่ยขันแยนะ่เขาเห็นนะการกระใยในคนเร่างกันแล้วไม่เห็นมีตัวเราตรงไหนเขาเริ่มเห็นนะแลต่ใจยังไม่ยอมรับยังไม่เป็นได้ส่วนหนบัตรใจยอมรับก็ได้ส่วนหนบัตรไปไม่ใช่เรื่องยากกาปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยาก ม, มันยากตรงที่ไม่ค่อยทำเท่านั้นขยันทําแต่รู้วิธีแล้วนะจะมาบอกว่าไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงพูดไม่ได้นะปฏิบัติยังไงมีสติร่างกายรู้ใจตามความเป็นจริง รู้ได้เราจะรู้ได้ตรงความจริงไหมใจเราต้อตั้งมัน่นใจไม่ยินเไปเป็นคนดูสบายใจเราเงินกรรม ก, การห้าหมหวยกรรม ก, การห้าหมหวยเนี่ยไม่ใช่นักหวยใช่ไหมแล้วห้ามไปแอ บ, บเล่นข้างใดข้างหนึ่งด้วยนะไม่นนงันจะไม่อยู่ที่ถังกรรม ก, การห้าหมหวยเนี่ยไม่เป็นคนวงนอกงั้นมันเห็นนักหวยช่องกันมันเห็นได้ชัดไม่ได้มีส่วนได้เสียในะขณะที่นักหวยกําลังช่องอยู่เนี่ยบางทีมองหมันนะไม่รู้ เหลือรู้ใต้เลยแก้ทางของเขาไม่ออกนะคนวงนอกเนะี่ยมันจะดูอะไรไนดะ้ตรงความจริงมากกว่าอนะย่างบางทีทําธุรกิจนะเรามีคอนเซิลนะมีที่ปรึกษาจ้างมาแพงนะมันยากถูกๆนะทำไมาคนเซิลฉลาดกว่าพวกเราเไม่ฉลาดกว่านะคนเซิลรู้เรื่องงานของเรามากกว่าเราไหมไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแต่ทําไมมันให้ข้อเสนอแนะได้เพราะมันเป็นคนวงนอกเท่านั้นน ะ, นะนะคนวงนอกมันดูอะไรง่าย งั้นเรามาฝึกใจเ่ า, าให้ตายเป็นคนมองนอกนะให้เป็นคนดูเห็นหนะ้ากายมาทํางานเหมือนดูคนอื่นทำงานเห็นจิตใจมาทํางานเหมือนดูคนอื่นทำงานอ่านอย่างนี้เรื่อยๆไปนะสรุปแล้วก็คือหลักของการเจริญปัญญานะใช้มีสตินะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิทตที่ตั้งมั่นเด็กติดตั้งมั่นจะเป็นคนมองนอกมานะั้นและเป็นกลาง รู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นไปเป็นกลางเป็นกลางหมายถึงไม่มีอคตินะกรรมการห้ามมวยไม่เป็นกลางนี่ก็ไม่ยที่ธรรมนะนักมวยฝ่ายที่เราแอบไปเล่นไว้ชกผิดนะเรากว่าถูกนักมวยฝ่ายที่เราแอบไปเล่นไว้มันถูกชกเรากว่าไม่ถูกเลยอคติขึ้นมางานใจเราต้องเป็นกลางจริงเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ชัด ค่อยฝึกนะไม่ใช่เรื่งยากเกินเอไหวไหมไหวดีถ้าไม่ไหวผมไม่รู้จะทำไงนะสอนง่ายที่สุดล้วนะ <c oughs> เด็กสี 4, ่ขวบเด็กเจ็ขวบเด็กสิบขวบมันจะทำเป็นเลยผู้ใหญ่อายุตังหลายสิบปีทาไม่เป็นเสียชื่อบนมีเวลานิดหน่อยนะประมาณสิบห้านาที ใครจะถามให้ถามมันมีลานนิดเดียวมีไหมว่ า, า, ว า, างหมคือเชลักนี้นะเราไม่ได้ดูว่าชั่วโมงไหนจะทาอะไรนิดเดียวหลวงพอพูดให้ฟังว่าเขาถามอะไรเม่วเวลากลางวันเนี่ยจะเจริญปัญญาหรือก่อนนอนจะทำสมถะหรือเปล่า การทำสมาธิในพิพิธสนาเนี่ยเราไม่ได้นับชั่วโมงหรอกม่าชั่วโมงไหนจะทําอะไรขณะใดถ้ามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ให้ดูจิตใจไปขณะดใดไม่สามารถดูจิตใจได้จะดูร่างกายได้ให้ดูร่างกายมันทางานไปนี่อยู่ในส่วนของการเรียนัญญาขณะดใดดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ให้ทําสมาธิไว้เมื่อในเวลากลางคืนไม่ใช่ว่าเป็นสูตรสําเร็จ ว่ากลางคืนต้องทาําสมถะก็วันนี้จิตของเรามีพลังมากเลยเราก็นั่งดูตอนทําในรูปแบบไหว้พระสวมดมนต์เสร็จนั่งดูจิตใจมันทํางานหรือนั่งดูร่างกายมันทํางานจิตเราเป็นคนดูเดินปัญญาไปเลยแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากไม่ต้องรอถึงกลางคืนหรอกกลางวันเนี่ยเอาตอนตอนที่เราถึงก็เราเดินจงกรมอยู่เดินแค่ไปกินข้าวเรามีสติรู้ไปเห็นร่างกายมันเดินหรือว่าเราปฏิบัติในยาบนเดินนะ กลา ว, วันแสงแสงก็ๆๆดเดินเดินไปแล้วขาดสติปุ้มเลยเรากลับมารู้สึกตัวใหม่เราถ้าเดินไปอีกก็ขาสติขาสติจิตฟุ้งแหลกหลามเนี่ยไม่ต้องไปทําวิปัสสนาแล้วเดินจงกรมไปทําสมาธิก็เลยข้าวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปบริกรรมไปอย่างนี้ก็ได้งั้นไม่ใช่ว่าเมื่อเวลาไหนหนาทีไหนจะทําสมาธินาทีไหนทำวิปัสสนา เมื่อไรพร้อมจะทํำมิปัสนาทำมิปัสนาเมื่อไรไม่พร้อมจะทํามิปัสนาก็ทําสมถะใช้หลักนี้นะไม่งั้เสียเวลาแม้จิตมีพลังมากเลยแล้วเรื่องอไเป็นนั่งทำสมถะเสียเวลาเนี่ยหรือจิตไม่มีพลังเลยจะไปเดินปัญญาเสียเวลาเปล่าๆทาสมถะดีกว่าตอนไหนก็ทําได้หลวงพู่เทศก็เคยได้ยินชื่อไหมหลวงพู่เทศเทศรังสีเคยสอนหลวงพ่อไหมนะว่าเราทำงานหนักๆเ ห, ห, หนื่อยๆเนี่ย อยู่ๆไปนั่งข้าชชาเข้าไม่ลงนะเข้าไม่ได้เนี่ยท่านบอกกลั้นใจสนิดนึงกลั้นใจแล้วจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆลองทักดูสิแวบเดียวไอ้เกียรติแม้ว่าจิตมันสงบลงใอ้ใจได้ละเดี๋ยวขาดใจไเนอ้ยไปลืมเลอมันเรียนกรรมฐานกันลาเพราะบางคนนสิ้นชีวิตอยู่ในบเลยไม่ต้องตึ่ขนาดนั้นนะอเกียรติม้ตอนที่จิตเราไปจับกลั้นใจไล้นะมันจะว่าง นั่นแหละสมถะแล้วนั่นสมถะ น, น้อยตายเลยเวลาเราทำงานเหน่ยๆกั้นใจทุ๊กหนึ่งเนี้ยนะที่กระส ม, มนถ้าคนต่อไปได้คนสองคนสมบูรณไหมมาสการขนหลวงพ่อหลวงพ่อเคยบอกว่าหลวติดเพ่งเมืิปีที่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าตอนนี้ยังติดเพ่งอยู่ไหมต้องรู้ไหมล่ะรู้มติดหรืมติด ต้องรู้ด้วยตนเอง mm hmm. ไม่งั้นไม่ใช่บิญิบุนชนวิญิบุญชนถึงรู้ด้วยตนเองประคองก็ดีขนเยอะแล้วอน่ะ้ mm hmm. วควรทำสมถะเพิ่อมอะรสมรถะทำได้ําถูกวันจิง mm hmm. จะได้มีพลังแต mm hmm. ่ทำสมถะที่ถูกต้องไม่ทำวิชชาสมาธิวิชาสมาธิทำรัศมีสูงเลยอ mm hmm. ัน้คนหนึ่งนะมันจะรติดสุดยอดเลย วัดทยมสนนียนะ้ว่าหมอพินะรู้สกว่าดไทยของศสนาูทสตแต่กที่มีสติอยู่เนี่ยอมีไม่ใช่จะไปเดียวไปดากรอดยี่สชั่วโมงหรือเยก้วาพราะาพอลบาสติไปนิดเราคิดวอ่า ไปตามที่ผมพ่อพูดเย هنا. เมื่อมีสติกเราก็สามารถที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นการที่ยิงได้ิงที่สคัญเพราะฉะนั้นที่ความ้าใจผมก็คือวัตหาว่าสร้างสติกกให้เกิดขึ้นต่อดเว ล, รลารู้ตลอเวลาทำได้ตลอดก็ดีนะทำไม่ได้หรอกเราไม่ใช่ปลาหลา แต่ถ้าเราเป็นพราานะรหันตสติเป็นอาตโนมันเน็นมากที่สุดีที่ทสุดต้ อ, รองระวังคุณนะ้อพูดนะต้องต้องรับรวิธีทำให้เกิดสติแถมให้หน่อยมีเวลานิดนึงวิธีทำให้เกิดสติไม่ใช่สังให้จิตเกิดสติเพราะจิตเป็นอนัตตาสติก็เป็นอนัตตาสังให้เกิดไม่ได้เราต้องทำเองของสติ เหตุของสติคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเมื่อหันดูสภาวะบ่อยๆนะอย่างเราหันดูสภาวะทางจิตใจเนี่ยสุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะหรือทางกายหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกไปดูสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4ี่นะั้นฟื้นไปเถอะมีสติเราเือรู้ร่างกายหายใจออกรู้หาใจเข้ารู้ยืนเดินนั่งนอนรู้เอ้าสักอย่างหนึ่ง หรือว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สุขทุกข์ดับไปก็รู้จิตมีราค้าก็รู้จิตไม่มีราค้าก็รู้ได้หักรู้สภาวะบ่อยๆนะแล้วสติจะเกิดเองนี่สติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทําไปแล้วจะเกิดสตินะพอมีสติแล้วก็ถ้ามีสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้เนละปัญญาจะเกิดทําสติปัฏฐานในช่วงต้ น, นจะทําให้มีสติในช่วงปลายเมื่อมีสติและสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะปัญญาจะเกิด แล้วมรดกมันจะตามมาแล้วหลวงพอ่ออยู่ด้ยวยแค่ น, นนะี้นาะรถติดเหลือเกินเลยประเทศเนี่ย <c oughs> ให้พวกเรามีความสุขความเจริญ น, นะฟังซีดีหลวงพอ่อถ้าเขาไม่มีแจกก็ไปดาว น, า น, าน์โหลดนองในเว็บไซต์มีอยสองเว็บไซต์นะธัมมะ d o c o m ธัมมะ d o c o m นะกับมิมุติกิ .dot.net มีสอง ตามยูทูอยูทูบเลยเห็มีเยอะแยะเลยอย่าว mm hmm. แต่ฟังเพลงดูหนังเลยนะฟังธรรมะบ้า ง, าาง mm hmm. แล้วชีวิตจะดีขึ้นบายยนะ